พระนางรุจาราชธิดาผู้มีพระชวีวันงดงามผู้ทรงทราบธรรมประลึกชาติในอดีตเจ็ดชาติในอนาคตเจ็ดชาติได้สดับุรพระดํารัสของพระเจ้าวิเทหราชแล้วกราบทูลพระชนกนาฏว่าแต่ก่อนกระหม่อมชั้นได้ฟังมาเท่านั้นกระหม่อมชั้นเห็นประจักษ์เองในข้อนี้ว่าผู้ใดเข้าไปคบคนผ่าน ผู้นั้นก็สำเร็จเป็นผ่านไปด้วยก็คนหลงอาศัยคนหลงย่อมถึงความหลงยิ่งขึ้นอลาตะเสนาบดีและนายวีชกะสมควรจะหลงบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทำในอดีตเจ็ดชาติในอนาคตเจ็ดชาติปุภาปรังธรรมมังความว่าภิกษุทั้งหลายพระนางรุจาราชธิดา ได้ทรงสดับพระดํารัสของพระชนกนาถเป็นผู้ทรงรู้ธรรมในก่อนคือในอดีตเจ็ดชาติและธรรมที่ยังไม่มาถึงคืออนาคตเจ็ดชาติประสงค์จะปลดเปลื้องพระชนกนาถจากมิจฉาทิฐิจึงตรัสคํานี้มีอาธิว่าได้ฟังมาเท่านั้นบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสําเร็จสมปัจฉะความว่า คำนั้นว่าผู้ใดคบคนผ่านผู้นั้นก็สําเร็จเป็นคนผ่านไปด้วยหม่อมฉันได้ยินมาก่อนแล้วทีเดียวแต่วันนี้หม่อมฉันเห็นประจักษ์แล้วคําว่าก็คนหลงมุลลโหหิความว่าแม้คนหลงด้วยอํานาจทิฐิอาศัยคนหลงด้วยอํานาจทิฏฐิย่อมถึงความหลงยิ่งขึ้นหลงหนักขึ้น เหมือนคนหลงทางอาศัยคนหลงทางฉะนั้นคำว่าอาลาตะเสนาบดีอาลาเตนะความว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพการที่พระองค์อาศัยคุณนาชิวะกะผู้เป็นพานไม่มีความละอายเช่นกับเด็กชาวบ้านแล้วมาหลงกับอาลาตะเสนาบดีผู้เสื่อมจากชาติโคตตระกูลประเทศความเป็นใหญ่ บุญและปัญญาและกับวีชะกะธาตุผู้ไม่มีปัญญาผู้เสื่อมแล้วโดยส่วนเดียวเป็นการไม่สมควรเป็นการไม่เหมาะสมเลยเหตุฉะไหนพระองค์จึงไปหลงกับคนเช่นนั้นเล่าพระนางรุจาราชธิดาทรงติเตียนชนทั้งสองนั้นอย่างนี้แล้วเมื่อจะทรงสันเสริญพระชนกเนาด ด้วยทรงประสงค์จะปลดเปลื้องจากมิจฉาทิฐิจึงกราบทูลว่าขอเดชะส่วนพระองค์มีพระปรีชาทรงเป็นนักปราดทรงฉลาดรู้ซึ่งอัตจะทรงเป็นเช่นกับพวกคนผ่านเข้าถึงซึ่งทิฐิอันเลวได้อย่างไรก็ท่าสัตย์จะบริสุทธิ์ได้ด้วยการท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏการบวชของคุณาชีวะกะก็ไม่มีประโยชน์ พุณาชีวะกะเป็นคนหลงงมงายย่อมถึงความเป็นคนเปลืย่ยเหมือนมแมลงหลงบินเข้าเปลวไฟฉะนั้นคนเป็นอันมากผู้ไม่รู้อะไรได้ฟังคำของกัสปะคุณาชีวะกะว่าความหมดจดย่อมมีได้ด้วยสังสารวัตก็เชื่อมั่นเสกโอนทีเดียวจึงพากันปฏิเสธกรรมและผลของกรรมโทษคือความฉิบหายที่ยึดไวผิดในเบื้องต้น ก็ยากที่จะเปลื้องได้เหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดได้ฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ามีพระปรีชาจับ ป, ปัญโยความว่าก็พระองค์เป็นผู้มีปัญญาด้วยปัญญาที่ได้ด้วยอำนาจยศวัยบุญความเพียรโยนิโสมณสิการและการสนทนาธรรมชื่อว่าเป็นนักปราด เพราะเหตุนั้นเหมือนกันชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์คือในเหตุและไม่ใช่เหตุเพราะความเป็นนักปราชคำว่าจะทรงเป็นเช่นกับพวกคนผ่านฮาเลหิสะทิโสความว่าพระองค์เป็นผู้เข้าถึงทิฐิอันเลวเหมือนคนพานเหล่านั้นเข้าถึงได้อย่างไรคำว่าอปาปตัง หลงบินเข้าตัดบทเป็นอปิอาปะตังอธิบายว่าตกไปอยู่พระราชธิดาตรัสอธิบายไว้ว่าข้าแต่พระชนกนาฏเมื่อความบริสุทธิ์มีได้ด้วยสงสารการท่องเที่ยวไปแม้คุณาชีวะกะก็ละกามคุณห้าแล้วถึงความเป็นคนเปลือยกายไม่มีสิริไม่มีความละอาย ไม่มีความเช่มชื่นเพราะความหลงด้วยสามารถแห่งโมหะเหมือนตะกะแตนเห็นไฟอันลุกโผลงในเวลากลางคืนไม่รู้ถึงทุกข์อันมีเปลวไฟนั้นเป็นปัจจัยบินเข้ากองไฟนั้นถึงความทุกข์ใหญ่ฉะนั้นคำว่าก็เชื่อมั่นเสียก่อนทีเดียวปุเรนิวิฐาความว่าข้าแต่พระชนกนาฏ ชนเป็นอันมากฟังคำของกัสปะโคตว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยสังสารวัตรเชื่อมั่นลงไปก่อนทีเดียวเพราะถือว่าผลของกรรมที่ทำดีและทำชั่วย่อมไม่มีเมื่อไม่รู้ก็ยึดเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเห็นผิดจึงปฏิเสธกรรมอธิบายว่าเมื่อปฏิเสธกรรมนั้น ก็ชื่อว่าปฏิเสธผลของกรรมเหมือนกันเมื่อพวกเขายึดถือเอาโทษอันเป็นความปราชัยแห่งพวกเขาในชั้นต้นอย่างนี้ก็เป็นอันชื่อว่ายึดถือผิดข้อว่าเหมือนปลาติดเบ็ดยากที่จะเปลื้องตนออกจากเบ็ดได้ฉะนั้นทุมโมจยาภริสาอัมพุโชวะความว่าชนพานเหล่านั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้ ยึดถือความฉิบหายด้วยการเห็นผิดดำรงอยู่ย่อมชื่อว่าปลดเปลื้องออกจากความฉิบหายนั้นได้โดยยากเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดเข้าไปปลดเปลื้องออกจากเบ็ดได้ยากฉะนั้นพระนางรุจาราชธิดาครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงพร่ำสอนพระราชาให้ยิ่งขึ้นไปจึงตรัสคาถาเหล่านี้ว่าข้าแต่พระราชา กระหม่อมฉันจักยกตัวอย่างมาเปรียบถวายเพื่อประโยชน์แก่ทุนกระหม่อมบัณฑิตในโลกนี้บางพวกย่อมรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเปรียบเหมือนเรือของพ่อค้าบรรทุกสินค้าหนักเกินประมาณย่อมนำสินค้าอันหนักยิ่งไปจมลงในมหาสมุทรชันใดนรชนสังสมบาปกรรมแม้ทีละน้อยทีละน้อย ก็ย่อมพาเอาบาปอันหนักยิ่งไปจมลงในนรกฉันนั้นคุณกระหม่อมเพคะอกุศลอันหนักของอลาตะเสนาบดียังไม่บริบูรณ์ก่อนอลาตะเสนาบดียังสั่งสมบาปอันเป็นเหตุให้ไปสู่ทุกคติอยู่ขอเดชะการที่อลาตะเสนาบดีได้รับความสุขอยู่ในบัดนี้เป็นผลบุญที่ตนทําไว้แล้วในปางก่อนนั่นเอง บุญของอลาตะเสนาบดีนั้นจะหมดสิ้นอลาตะเสนาบดีจึงมายินดีในอกุศลกรรมอันไม่ใช่คุณหลีกละทางตรงเดินไปตามทางคดนรชนสั่งสมบุญไว้แม้ทีละน้อยทีละน้อยย่อมไปสู่เทวโลกเหมือนวีชกะบุรุษผู้เป็นทาตยินดีในกรรมอันงามย่อมมุ่งไปสู่สวรรค์ได้ เปรียบเหมือนตาช่างที่กำลังช่างของเมื่อเอาจานตาช่างห้อยไว้แล้วเมื่อเอาของหนักออกเสียหัวตาช่างก็จะสูงขึ้นฉะนั้นบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าในนรกนิระเยได้แก่มหานรก8ดขุมอุสทะนรก16หขุมและโลกันตะนรกคำว่าอันหนักภาโรความว่า ข้าแต่ทูลกระหม่อมท่านอลาตะเสนาบดีนั้นมีอกุสลภาระยังไม่เพียบเต็มบริบูรณ์ก่อนคำว่านั้นตัดสะความว่าข้อที่ท่านอลาตะเสนาบดีนั้นได้ความสุขอันเป็นผลแห่งบุญที่ตนทำไว้ในชาติก่อนเป็นปัจจัยนั้นเป็นผลไหลออกแห่งบุญที่เขากระทำไว้ในก่อนข้าแต่ทูลกระหม่อม ความจริงการได้ความสุขนั้นไม่ใช่ผลแห่งกรรมคือการฆ่าโคนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยที่ว่าผลแห่งกรรมอันเป็นบาปอากุศลจากให้ผลที่น่าปรารถนาน่าใครคําว่าจึงยินดีในอกุศลกรรมอันไม่ใช่คุณอคุเนระโตได้แก่จริงอย่างนั้น บัดนี้เขาย่อมยินดีแต่ในอกุศลกรรมคำว่าหลีกละทางตรงอุชุมักขังได้แก่ละทางกุศลกรรมบทสิบคำว่าทางคตกุมมักขังความว่าเล่นไปสู่ทางอากุศลกรรมบทสิบอันเป็นทางไปนรกข้อว่าเมื่อเอาจานตาช่างห้อยไว้แล้วโอหิเตตุละมันดเดร ได้แก่เมื่อเอาจานตาช่างคล้องไว้เพื่อรับสิ่งของคำว่าก็จะสูงขึ้นอุณะเมติความว่าย่อมกระดกขึ้นข้างบนคำว่าสั่งสมอาจินังความว่านรชนเมื่อสั่งสมบุญทีละน้อยทีละน้อยปลดบาปที่หนักลงยกศีรษะคือกาลยานกรรมแล้วไปสู่เทวโลก คำว่ามุ่งไปสู่สวรรค์สักคาติมาโนความว่ามุ่งไปในสวรรค์ยินดียิ่งในกาลยาณกรรมอันมีผลสุขสรรําราญยังสัตว์ให้ถึงสวรรค์บาลีว่าสักคาธิมาโนดังนี้ก็มีอธิบายว่ามีจิตตั้งมั่นกระทําสวรรค์ให้เป็นเรื่องสําคัญคําว่ายินดีในกรรมอันงาม สาตะเวะระโตความว่าวีชกะธาตุนั้นยินดีในกุศลกรรมอันน่าสําราญใจคือมีผลชื่นใจเวลาบาปกรรมนี้สิ้นไปเขาจักบังเกิดในเทวโลกเพราะผลแห่งกาลยาณกรรมแต่บัดนี้เขาเข้าถึงความเป็นทาตใดความเป็นทาตนั้นมิใช่เกิดด้วยผลแห่งกาลยานกรรม แท้จริงกรรมที่ให้เป็นไปโดยความเป็นอย่างนั้นจกเป็นบาปกรรมที่เขาทาไว้ในการก่อนเพราะฉะนั้นในข้อนี้จึงสรุปได้ดังว่ามานี้แลพระนางรุจาราชธิดาเมื่อจะทรงประกาศความนี้จึงได้ตรัสว่านายวีชกะผู้เป็นทาดเห็นทุกในตนวันนี้เพราะได้เสภ บ, บาปกรรมที่ตนกระทาไว้ในปางก่อน บาปของเขาจะหมดสิ้นเขาจึงมายินดีในวินัยอย่างนั้นทูลกระหม่อมอยาคบหากระสปะคุณาชีวกะทรงดำเนินทางผิดเลยเพคะบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าอยาทรงดำเนินทางผิดเลยมาเหวุปถมาฆะม า, ะมาความว่าระนางรุจาราชธิดาทูลพระราชบิดาว่าข้าแต่ทูลกระหม่อม พระองค์อย่าเข้าไปหากัสปะคุณาชีวะกะคนเปลืยนี้อย่าเข้าไปสู่ทางผิดอันเป็นทางไปนรกคืออย่าได้กระทำบาปเลยเพคะบัดนี้พระนางรุจาราชธิดาเมื่อจะทรงแสดงโทษในการซ่องเสบบาปและคุณในการคบหากับกัลยาณมิตรแด่พระราชาจึงตรัสว่าถ้าแต่พระราชบิดา บุคคลคบบุคคลใดๆจะเป็นสัต บ, บุรุษก็ตามอาสัต บ, บุรุษก็ตามผู้มีศีลก็ตามผู้ไม่มีศีลก็ตามเขาย่อมตกไปสู่อำนาจของบุคคล น, นั้นบุคคลทำบุคคลเช่นใดให้เป็นมิตรและเข้าไปคบหาบุคคลเช่นใดแม้เขาก็ย่อมเป็นเช่นบุคคล น, นั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นได้ ผู้เสพย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนเสพผู้ติดต่อย่อมติดนิสัยผู้ที่ตนติดต่อเหมือนลูกสนอาบยาพิษย่อมเปื้อนแล้งฉะนั้นนักปราดไม่ควรเป็นผู้มีคนลามกเป็นสหายเพราะกลัวจะแปดเปื้อนการคบคนผ่านย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบยญ้าคาร้อยปลาเน่าแม้ใบยญ้าคาก็มีกลิ่นเหม็นคลุ้งไปด้วย ส่วนการคบหาสมาคมกับนักปราชยย่อมเป็นเหมือนบุคคลเอาใบไม้ห่อกฤษศนาแม้ใบไม้ก็มีกลิ่นหอมฟุ้งไปด้วยเพราะฉะนั้นบัณฑิตรู้ความเป็นบัณฑิตของตนดังใบไม้สำหรับหอ่อจึงไม่คบหาสมาคมอสัตบุรุษคบหาสมาคมสัตบุรุษเพราะอสัตบุรุษย่อมนำไปสู่นรกสัตบุรุษย่อมให้ถึงสุขติ บรรดาคมเหล่านั้นคำว่าสัตบุรุษก็ตามสันตังว่าได้แก่บุรุษผู้สงบระงับก็ดีคำว่าอสัตบุรุษก็ตามยะธิว่าอสังได้แก่บุรุษผู้ไม่สงบระงับก็ดีข้อว่าเหมือนลูกศรนอาบยาพิทย่อมเปื้อนแล่งฉะนั้นสะโรถุโถกลาปังวะความว่า ข้าแต่พระมหาราชเจ้ามิชั่วเมื่อเสพคบหากับคนอื่นและสนิทชิดเชื้อกับคนอื่นย่อมจะทำบุรุษผู้ไม่ได้แปดเปื้อนกับบาปให้มีอัติยศใสเป็นเช่นเดียวกับตนเข้าไปเปื้อนคือกระทำให้เป็นคนบาปเหมือนกันดุดลูกสอนอาบยาพิษอันร้ายแรงที่ใส่ไว้ในแล่งสอนยาพิษย่อมเปื้อนแล่งสอนแม้ที่ไม่ได้เปื้อน คือย่ำทําแล่งสอนให้ร้ายแรงด้วยยาพิษฉะนั้นคําว่าคลุ้งไปวายันติความว่าแม่ยาคาเหล่านั้นที่ร้อยของนั้นก็ย่อมมีกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปคําว่ากฤษสนาตะคารันจะความว่าใบไม้ที่ห่อกฤษสนาและคันธชาติที่สมบูรณ์ด้วยกลิ่นอย่างอื่นย่อมมีกลิ่นหอมไปด้วย คำว่าเหมือนเอวังความว่าการเข้าไปคบกับนักปราชก็ฉันนั้นเหมือนกันจริงอยู่นักปราชกกระทําผู้คบกับตนให้เป็นนักปราชกเหมือนกันคําว่าเพราะฉะนั้นดังใบไม้สําหรับหอตัสมาปัตตะปุตตะเสวะความว่าเพราะเหตุที่ใบไม้ที่ห่อของหอมมีกฤษณาเป็นต้น ย่อมพลอยมีกลิ่นหอมไปด้วยฉะนั้นพึงรู้อย่างนี้ว่าแม้เราก็เป็นบัณฑิตเพราะการคบหากับบัณฑิตเหมือนใบไม้สำหรับห่อฉะนั้นคำว่ารู้ความเป็นบัณฑิตของตนยะตวาจัมปากมัตตโนความว่าครันรู้ความแก่กล้าความแปรไปความเป็นบัณฑิตของตนแล้วพึงละอสัตบุรุษ คบหาแต่สัตบุรุษผู้เป็นบัณฑิตในคำว่าย่อมนำไปสู่นรกนิระยังเนนตินี้บัณฑิตพึงนำอุทาหนมาด้วยอำนาจนิทานว่าชื่อว่านำนรกมาด้วยเรื่องพระเทวทัตเป็นต้นและนำสุขติมาด้วยเรื่องพระสารีบุตรเทระเป็นต้น